ผมจบปี40นะ้ฟองสบู่แตกผมไปทำอย่างอื่นมาก่อนไปเป็นนักประชาสัมพันธ์มากว่าผมจะขนขวายแล้วก็กลับเข้ามาในวิชาชีพนี้ได้ซึ่งซึ่งเราคิดว่า